สมภัสสยองเมื่อประมาณปีพศส5 5 2ตอนนั้นตัวเราอยู่ชั้นมหแล้วที่บ้านกำลังหาซื้อบ้านใหม่เนื่องจากว่าบ้านเดิมเป็นทาวน์เฮ้าส์พ่อเราเลยอยากได้บ้านเดี่ยวสวยๆ ส, สักหลังราคาเบาๆ เ, าเาลยตัดสินใจไปดูบ้านหลังหนึ่งที่ไม่ห่างจากบ้านเก่าเราสักเท่าไหร่ วันนั้นตอนเย็นหลังเลิกเรียนเรากับที่บ้านเลยขับรถไปดูบ้านหลังนั้นพอไปถึงก็จอดรถที่หน้าบ้านแล้วก็มองเห็นบ้านซึ่งบ้านนั้นเป็นบ้านชั้นครึ่งและสวยงามมากพอเดินเข้าไปก็เห็นพื้นที่ใช้สอยเหลือเฟือมีเฟอร์นิเจอร์ครบคันซึ่งนำเข้ามาจากเมืองนอกบ้านนี้เป็นของภรรยาชาวต่างชาติ ซึ่งเขาจะย้ายไปอยู่กับสามีที่อังกฤษแล้วครั้งแรกที่เห็นบ้านนี้เราก็ชอบมากแต่ติดตรงที่เป็นบ้านมือสองส่วนแม่เราไม่ค่อยว่าอะไรเพราะใกล้ที่ทำงานของแม่ด้วยหลังจากดูบ้านกันเสร็จเราก็กําลังจะขับรถกลับกันตอนนั้นเป็นเวลาหนึ่งทุ่มกว่ า, วาแล้วแต่เส้นทางหน้าบ้านคุณ้าคนนั้นเป็นทางเดินรถทางเดียวซึ่งกลับรถไม่ได้ พ่อเราเลยขับไปข้างหน้าก่อนเพื่อจะหาที่กลับลรถระหว่างที่ขับไปนั้นสองข้างทางมันก็เปลี่ยวมากเราคิดในใจทำไมทางกลับรถมันไม่มีเลยนะมันมืดเปลี่ยวและน่ากลัวมากพอขับไปได้สักระยะหนึ่งก็เห็นว่าทางซ้ายมือคล้ายกับเป็นโรงงานเล็กๆซึ่งทำอะไรสักอย่างส่วนข้างหน้าก็เป็นทางสี่แยกเล็กๆซึ่งแน่นอนว่า ในเวลานั้นไม่มีรถเลยมีแต่รถของครอบครัวเราคันเดียวพ่อเราก็กลับรถหักท้ายมาซ้ายมือแล้วเราก็ได้เห็นว่าทั้งขวามือเป็นหอพักเมื่อเราเห็นครั้งแรกก็ตกใจมากหอนั้นเป็นหอสองชั้นและไม่มีห้องไหนเปิดไฟเลยทั้งๆ ท, ที่เวลาแค่หนึ่งทุ่มกว่าๆเท่านั้นเองมันเหมือนกับว่าไม่มีใครอาศัยอยู่ที่นี่เลยมันดูแปลกๆ แ, แปลกมาก และที่สำคัญมีต้นโพยใหญ่ตั้งอยู่กลางซอยเข้าหอด้วยความที่ปากไวกว่าความคิดก็เลยพูดขึ้นมาว่าหอบ้าอะไรอยู่ทางสี่แพ่งเงิเนก็มืดหน้ากว่าทุกคนในรถเราเงียบกันหมดไม่มีใครพูดอะไรเลยเพราะเรานึกขึ้นได้ก็ชะงักเพราะคิดว่าทำไมเราทักแบบนี้ปากเสียจริงๆโดยปกติแล้วเราจะเป็นคนเห็นอะไรแปลกๆตอนกลางคืนบ่อยมาก แต่ละครั้งก็ทำเราสยองหลอนไปหลายวันและหลังจากคืนนั้นเราก็เริ่มเจอเหตุการณ์อะไรแปลกๆวันหนึ่งเราโดดเรียนไปกับเพื่อนๆซึ่งสมัยนั้นเราเกเรมากเราไปกับเพื่อนกันประมาณห้าคนรวมเราด้วยนั่งรถเม์ไปวังหลังระหว่างที่เพื่อนเรากาลังจ่ายค่ารถเมย์ยื่นแบงค์ห้าิบให้กระเป๋ารถเมย์ก็ทอนมาสองบาทเราบอกว่าเรามาห้าคนนะ ก็เลยทวงเงินทอนอีก8บาทจากกระเป๋ารถเม์และพีเขาก็บอกว่าอ้าวก็หกคนไงถูกแลวนี่พี่หกคนที่ไหนหนูมาห้าคนน้องผู้หญิงผมหยิกเสื้อพรานั่นไงพวกเรามองหน้ากันแล้วเงียบไม่พูดอะไรอีกเลยเพื่อนที่นั่งบอกข้างหลังอยู่คนเดียวรีบวิ่งขึ้มานั่งข้างหน้าพวกเราพอถึงวังหลังพวกเราก็ลงรถเม์แล้วก็เดินเล่นกัน เรารู้สึกตะกิดตะกิดในใจว่ากระเป๋ารถเมมันอําเราหรือเปล่าแต่ช่างเถอะแค่8บาทเองวันต่อมาเราก็นั่งคุยกับเพื่อนๆ4ืหคนในแก๊งของเราเราคุยกับเพื่อนว่าจะไปสัมมนาเพื่อหารายได้เสริมได้บ้างตอนนั้นเป็นเวลาพักเที่ยงโรงเรียนเราก็มีห้องเรียนประจําเดินเรียนบ้างบางวิชาเราเรียนศิลปะภาษาญี่ปุ่นซึ่งห้องอยู่ชั้นสแล้วพอดี ก็มีเพื่อนห้องวิทย์มาคุยกับไอ้เก่งเพื่อนในห้องเราแล้วหันหน้ามาทางพวกเราแบบแปลกๆแต่พวกเราก็ไม่ได้คิดอะไรสักพักเพื่อนห้องวิทย์คนนั้นก็กลับห้องไปแล้วไอ้เก่งก็เดินมาหาพวกเราที่นั่งคุยกันอยู่แล้วถามว่าพวกเองมีกันแค่นี้เหรอมีกี่ใครใส่ชุดพระผมยาวๆห ย, ยิกๆวะเห็นนั่งหันหลังอยู่ชาเ อ, เ อ, เอห้องวิทย์เปล่าวะพวกเองรู้จักมันด้วยเหรอเราก็บอกมันไปว่า มึงจะบ้าเหรอพวกกูอยู่กันแค่นี้ไม่มีใครมานั่งด้วยแล้วไอ้เก่งก็บอกว่ามิกี้เพื่อนมันมาก็เห็นว่ามีคนมานั่งกับพวกเราด้วยมันก็เห็นก็เลยงงเพื่อนเราจึงถามไปว่าแล้วเอ้ น, นี่นั่งข้างใครไอ้เก่งมันก็พูดชื่อแล้วชี้นิ้วมาที่เราแต่ตอนนี้ไม่เห็นแล้วไม่รู้ไปตอนไหน <c oughs> เพื่อนแก๊งเราทุกคนหันมามองหน้าเราแล้วทำหน้าเจริญ เ, เรานี่อึ้งไปเลย แล้วเก่งก็เดินจากไปทิ้งความงงและสยดสยองเอาไว้เรารู้สึกไม่ชอบเลยนี่มันกลางวันนะเว้ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มันเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์พอดีตั้งแต่เราได้ไปดูบ้านหลังนั้นแล้ววันเสาร์เราก็นั่ง BTS เป็ไปลงที่เพินจิตเพื่อสัมมนากว่าจะสัมมนาเสร็จมันก็เกือบสามทุ่มแล้วเราก็คิดว่าจะกลับบ้านยังไงดีบ้านเราต้องกลับทางสายใต้ใหม่ เราเลยนั่งรถเมย์ไปถนนเส้นหนึ่งของจุฬาแต่จาไม่ได้ว่าที่ไหนเพราะตอนนั้นเราโทรถามทางเพื่อนและเพื่อนก็บอกว่าเรานั่งรถผิดฝั่งให้ลงรถแล้วข้ามสะพานลอยมาฝั่งตรงข้ามนั่งรถสายเดิมกลับหลังจากได้ลงรถเราก็เดินขึ้นสะพานลอยเราเห็นผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อสีน้ำตาลกางเกงยีน ส, สีเดินตามหลังมาระหว่างที่เดินอยู่นั้น เราก็ได้ยินเสียงคนเดินตามมาติดติดและตามเข้ามาใกล้เรื่อยเรเรากลัวว่าจะมีอันตรายหรือเปล่าก็เลยหันไปมองอีกทีปรากฏว่ามันว่างเปล่าไม่มีใครเลยมีแต่ความมืดที่เงียบสงัดเรากลัวมากรีบวิ่งข้ามสะพานเพื่อลงไปให้เร็วที่สุดเพื่อนที่เราโทรอยู่ในสายก็บอกให้ใจเย็นเ็นเป็นอะไรหรือเปล่าเราจึงบอกไปว่าขอวางก่อนนะ ถึงบ้านเดี๋ยวโทรหาระหว่างทางที่เรานั่งรถตู้กลับบ้านซึ่งมันก็ดึกแล้วเราร hey, ู้สึกเหมือนกับว่ามีคนนั่งอยู่ข้างหลังตลอดเวลาเราระแวงหันไปมองบ่อยมากแต่ก็ไม่เจอใครซ้ารถตู้นั้นก็ยังมีคนน้อยมากอีกด้วยเหตุการณ์ในคืนนั้นมันทำให้เราจําความรู้สึกของความหวาดกลัวได้ไม่มีวันลืมวันหนึ่งที่บ้านเรา พ่อกับแม่ก็เจาะผนังบ้านซึ่งเฮาเฮาเวลาทำอะไรก็จะได้ยินเสียงหมดเรากลับมาจากโรงเรียนก็อาบน้ำตอนนั้นเราเลี้ยงหมาด้วยและก็เอาหมามานอนในห้องทุกวันเป็นสุนัขพันธุ์เทอเรียอายุสองเดือนเมื่ออาบน้ำเสร็จเรารู้สึกเบี่ยมากก็เลยหลับไปกลางดึกเราตื่นขึ้นมาอีกทีเพราะหมาเรามันร้องเหมือนจะหิวน้าก็เลยเติมน้าให้มัน ปกติแล้วมันไม่เคยกวนเราเวลาแบบนี้เลยเราเดินแปวน้าให้มันไฟข้างล่างก็ปิดหมดแล้วพอน้ำให้มันเสร็จเราก็นอนต่อซึ่งห้องนอนของเราจะเป็นห้องนอนเล็กๆ เ, เมื่อเปิดประตูเข้ามาก็จะเห็นตู้เสื้อผ้าอยู่ซ้ายมือเรียงกันจนถึงกำแพงอีกฝั่งขวามือใกล้ประตูก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งส่วนเตียงเรานั้นอยู่ทางขวามือติดหน้าต่าง ทีวีอยู่ปลายเท้าเมาเรานอนใกล้ๆกับโต๊ะข้างเตียงเตียงเรามีขนาด 3.5 ฟุตเรานอนคนเดียวเป็นคนนอนตะแคงซ้ายซึ่งจะหันหน้าไปทางหน้าต่างหันหลังให้ประตูเราปิดไฟห้องเพื่อจะนอนขณะที่เรากำลังเคลิ้มกึง่งหลับกึ่งตื่นก็รู้สึกว่าปลายเตียงของเรายบลงไปตอนนั้นเรายังหลับตาอยู่ ก็คิดว่าแม่เราคงเข้ามานั่งห่มผ้าให้เราหรือเปล่าแต่เมื่อคิดดูอีกทีเราก็นึกขึ้นได้ว่าเราจะล็อกกรอนทุกครั้งที่ปิดประตูห้องเอ๊หรือว่าหมาของเรามันกระโดดขึ้นมาขอนอนด้วยแต่มันแค่สองเดือนยังเดินไม่ค่อยได้จากกระโดดที่ไม่มีทางเป็นไปได้เพราะว่าเตียงนี้สูงกว่ามันมากระหว่างที่คิดอยู่นั้นเตียงก็ค่อยค่อยหยุดขยับเข้ามาใกล้เรือ่อยๆ จนถึงกลางเตียงเราคิดว่าห้องนี้มีแค่เรากับหมาเท่านั้นถ้าจะมีอะไรก็คงไม่ใช่คนแล้วคราวนี้ครึ่งเตียงยุบลงไปหมดเลยรวมถึงหมอนด้วยเหมือนกับว่ามีคนมานอนข้างๆเราเรากลัวมากแต่เราก็ยังคงนอนตะแคงไปทางหน้าต่างตอนนั้นเรารู้แล้วว่าเราเจอเข้ากับอะไร ก็เลยท่องบทสวดมนต์นโมตัสสะขณะที่กำลังท่องอยู่นั้นก็มีเสียงหนึ่งพูดข้างๆหูเราขึ้นมาว่าไม่ไมต้องท่องหรอกไม่ได้ช่วยอะไรและมีเสียงหัวเราะในลำคอเสียงนั้นเย็นเยืยอกน่ากลัวมากเราแยกไม่ออกว่ามันเป็นเสียงผู้หญิงหรือว่าผู้ชายตอนนั้นเรานอนน้ำตาไหลกระดุกกระดิกไม่ได้ กลัวมากจนทำอะไรไม่ถูกเขาคนนั้นนอนอยู่ข้างหลังเรานานเท่าไหร่ก็ไม่รู้เมื่อเรามารู้อีกทีก็ประมาณตีสี่แล้วเรากลัวมากผวาลุกขึ้นนั่งแล้วก็ร้องไห้คิดทบทวนว่ามิก้ตอนที่เรากำลังนอนอยู่มันคืออะไรกันแน่สักพักก็ได้ยินเสียงทุบ ก, กำแพงข้างๆหน้าต่างที่เรานอน เสียงทุบนั้นแรงมากแล้วก็ทุบทั่วห้องเลยไม่ยอมหยุดเราคิดว่าจะเป็นพ่อเราเจาะผนังแขวนรูปที่ชั้นล่างหรือเปล่าแต่นี่มันตีสี่นะคงหลับกันไปหมดแล้วเราเรีบลุกไปเปิดไฟใจก็อยากวิ่งไปห้องพ่อกับแม่มากแต่ก็เกรงใจพอมันใกล้จะเช้าแล้วเลยคุมตานอนให้หลับพอรุ่งเช้าเราก็ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟัง กลัวเขาจะหาว่าเราคิดไปเองจนถึงเย็นวันนั้นไฟที่บ้านเราก็ดับเรากลัวก็เลยตัดสินใจเล่าให้แม่ฟังแม่ก็บอกว่าเพอเจอที่บ้านมีพระใครจะเข้ามาได้เราก็คิดอยู่เหมือนกันแต่เราก็ไม่รู้เข้ามาได้ยังไงช่วงนั้นเรากลัวบ้านตัวเองไปเลยเกิดมาเพิ่งเคยโดนหลอกแบบใกล้ชิดขนาดนี้ที่ผ่านมาเรามักจะเจอเป็นเสียงบ้าง เป็นเงาบ้างเป็นผีกแกวงขาอยู่บนต้นไม้บ้างยืนริมถนนบ้างหรือตอนเด็กก็เห็นเป็นคนแก่ม้วนผมเป็นเงาโปร่งแสงไม่มีขาเดินออกมาจากเสาบ้านเราก็รู้เลยว่าเขาไม่ใช่คนแต่อันนี้สิิกสุดๆอยู่แนบชิดห่างจากเราไม่ถึงพุดแล้วแม่เราก็เลยโทรหายายเราเลยบอกยายว่าเราโดนผีหลอก ยายเราเลยให้ท่องอิติปิโสตามอายุแล้วบวกเข้าไปอีกหนึ่งรอบให้ท่องก่อนนอนในทุกๆคืนแล้วเราก็ไม่เคยเจอเขาคนนั้นอีกเลยทุกวันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเขาถึงเข้าบ้านเราได้หรือเพราะวันที่เราไปดูบ้านนั้นเราปากพร่อยก็ไม่รู้บางทีเราก็คิดว่าผีที่เราเจอนั้นเป็นเจ้าที่หรึเปล่าซึ่งเหตุการณ์นี้ มันเป็นเรื่องที่เราเจอมาน่ากลัวที่สุดในชีวิตเลยเราขอเตือนด้วยความหวังดีไว้ก่อนว่าใครที่เห็นอะไรในตอนกลางคืนก็อย่าได้ทักอันนี้เรื่องจริงและเราก็ขอย้ำอีกทีนะว่าเหตุการณ์นี้คือเรื่องจริงไม่มีการเสริมเติมแต่งใดๆมันเกิดขึ้นกับเราเองคนไม่เคยเจออาจจะไม่เข้าใจแต่สำหรับเรานั้นเชื่อว่าผีหรือวิญ ญ, ญาณ น, นั้นมีอยู่จริง 拍子响。<怕> <See you. S 1>